พรกมฐ า, านท่านท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจําพระฉั้าเรื่องพิธีรีตองคือไม่ค่อยมีมเวลามีลูกศิษย์ลูกหาจะลาท่านอาจารย์มั่นออกเที่ยวบางทีจวนมากะหรือสาอากาศอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทําเถอะ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 ภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดละลายอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรคำว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระ ง, งับดับกิเลสล้นร้วนท่านไม่ได้ หมายออกไปทางโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีทัน ท, ท, ทีเวลาท่านแสดงทำในวันสำคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาคบบูชาในวันมาคะบูชาท่านก็ยกเอา พระอรหันต์ 1,250 องค์ขึ้นแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระอรหันต่ล้นล้ว น, วนทมวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถในท่ำกลางแห่งท่านภูบริสุทธิ์ล้นล้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล้นล้วนแข่ง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 อย่า ก, กลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะไม่มีปัญญานี่แลคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนที่เรียกออกให้หมดอันเทศในวันมาฆบูชาท่านเทยแบบนีน้พวกเราเอาของ ไม่ดีมาแข่งท่านท่านดงบูศตรมีพระแต่พระอาหันตล้นล้วนท่นสองร้อนห้าสิบองค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอหันตบ้างไหมมีิตกองกิเลสเต็มฉลาทัานวันถ้าพระพุทธเจ้าถ้าเ ด, ดมาที่นี่มาเห็นเข้าแล้วเป็นยังไง ท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่เพราะทหารท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มชลาทท่านจะไหวยอย่างนง้เพราะท่านเบือ่อท่านเอื่มระอาท่านขายะขยั่งจะมากมายหวานในพวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขายะขยั่งเก่งจริงพวกเรานะ่นฟังดู เก่ในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีเห็นวะท่านอาจารย์มั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอ้ว่าของท่านหูแหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทําให้สะดุดใจสะดุดใจสลบสังเวชบางทีน้ําตาล่วงในขณะฟังท่านคือมันถึงใจขนาดนั้น ท่านเทศด้วยอาด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุดาขา น, านาดไหนก็าตามมีแต่เรื่องคับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นํามาเอานำโรคคือกิเลสมาใช้ในวงแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจึงอาจซาจังธรรมะ ท, ท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงค่อยเร่งขึ้นเด้งขึ้นเด่นขึ้นเมื่อเนื้อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลําดับลําดับ นั่นและที่นี่มีแต่ทำรุนร้วนจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่จงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควรดื้อได้ทั้งนั้นพระอรหันต์ันสองรยห้าสิองค์มันทันว่าทันเสด็จพระท่านมาเองพระพุทธเจ้า ไม่ทรงเชื่อเชิญมาเองและเป็นเอหิพิปุระสัมประธานล้วนๆที่พระองค์ทรงบวชเองนะท่านพูดคำนี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนฉลาดนั่นท่านหมายถึงแบาเป็นเอหิพิปุรที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเอ็นเป็นเอหิพิปุในเราทําไมจะไม่ได้เพระพะระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะ บวตัวเองเข้ายู่ที่ไหนท่านว่าเอหิพิขุปรปสัมปทาเข้าที่นี่เองเอหินั้นท้าทาอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกอกองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะสมุทัยก็คือกองกิเลสตัวเราทั้งหมดก็คือกองกิเลสเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะเมื่อไรจะผิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับกิเลส อันเป็กองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระ ง, งับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสใช่บ้างนักบ้างนี่แหละเอฮีพิภูประสัมภ์ปาบวชตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวก บ, บวชกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าสงบวตเป็นเอหีพิภูให้ก็ดีพระสาวก บ, บวชกันเองก็ดีก็เป็นกา ร, รการประกาศให้ทราบว่า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 เอหีเอหีท่านแปลว่ายัางไงนี่น่ะนี่หนาเขาว่าอย่างงั้นดูที่นี่นนานี่น่ะท่านจงดูที่นี่หนาประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายมาชกค้านต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงกัน่ะดูเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้ถ้าพิจารถ้าจะพิจรารณาเนี่ยตันจ้อนหน้าฟัง ความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือพระวา่าต้องบวชตัวเองทํางา น, นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลาดับๆเขากลายเป็นพระขึ้นมาเนี่ยเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสะกีธาเป็นพระอนาคา เป็นพระหันขึ้นมานะจากการบวชตัวเองด้วยปฏิบาัาข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าด้วยมัดแปะเป็นพระขึ้นมาด้วยเหตุ น, นี้อันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและเป็นเครื่องเตือนให้ตัวเองทราบด้วยเถอว่าได้บวชแล้ว เพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ผิดเลยกับหมูนต่างเลยผผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพดดยากที่ไหนถ้าว่าวิเศษ ด, ด้วยผ้าเหลืองอจริงๆแล้วร้านเจ็กเจ็กวิเศษไปหมดในร้านเจ็กบรรดาดร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลือง ภาคการสวัสดิ์อยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะมีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยนนั้นเป็นเครื่องประกาศทันว่าทันหน้าฟังต้องบวชตัวเองระเ ว, นว้นคําว่าละเวน้นเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นข้าสึกแก่จิตใจของเรา อารมณ์นั่นแหละเป็นค่าสุดคําว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์ราคาท่านหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คืออวิชาวิทยาที่แสดงออกมาออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรับไข่ชอบใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทางนั้น นี่แหละท่านเรียกว่าสมุทยใหอ้อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทยแดนที่เกิดแห่งทุกหรือแดนผิดทุกได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดเป็นเรื่องผิดทุกให้แก่ศัตว์โลกได้นอกจากสมุทยที่พิเยษนี้เท่านั้นแล้วจะดับสมุทยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมากสี่สมาทิปัญญา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 จะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาภาวาทุกข์ทางกายก็ประกาศทางวานอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มาก ใ, ใ, จใจทั้งดวงก็กลายเป็นไฟทั้ ง, งกองไปได้มดัมีสมาธิสติสมาสมาโปหรือสมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟหลังนี้ด้วยความรู้เท่าทันด้วยการบังคับด้วยการระงับด้วยการค้นคว้าเห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางกันไดน้นี่ท่านเรียกว่ามัด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 ไปกำหนดรู้ทุกข์แล้วถึงจกไปละสมุทัยแล้วจะเป็นบำเพ็ญมากให้เกิดขึ้นเพื่อ น, นิรธจะได้ดับทุกข์ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคันทางนั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันการกำหนดทุกข์ ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกนั่นเองน่นการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของของทุก์คือตัวสมุทัยนั้นถ้าแม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนั่นเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้นและเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคําว่าความดับทุก์ ที่เรียกว่านโรธนิโรธก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำดับลำดับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกจะดับไปโดยลำดับลาดับที่เล็กละน้อยตามอำนาจของมรรคที่ทําหน้าที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้ว ทกุก็ดับพร้อมในขณนะนั้นไม่มีทุกใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในใจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วที่กลามาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญจขันธ์อันเป็นรวงรังแห่งสัจธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรค้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใดก็ให้พึงน้อมเข้ามา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 หากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเคียงเพื่อจะแก้ภายในเราก็ถัำพิจารณาภายนอกก็เป็นมรคเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญ า, ญญาให้เป็นมรค ก, ก็เป็นมากพิจารณาภายในก็เป็นมากทั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมรค ก, ก็ได้ การพิจารณากายเราก็อย่าได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นดังนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยของตนหรือขัดต่อจริตวิสัยของตนกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจ ตามจรินิสัยความรู้คําเห็นตามจริตนิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือคือรู้กายรู้สัจธรรมอนั้นนี่นนหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายข้างหลายหนก็เข้าใจไปเองปลยวางไปได้เองเที่ยวกรรมฐาน่ะนี่เที่ยวตรงนี้ เที่ยวกรรมฐ า, านนู่นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐ า, านในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานนี้เองเป็นจุดสาคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาที่จะได้รู้กรรมฐ า, านทั้งห้ า, าธรรมฐานะกราบที่ตั้งแห่งงานอันเป็นงานสําคัญพอมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้อยู่ในสัจธรรมทั้งสิ้น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 กายเวทนาปิตถังถ้าจะคิดให้เป็นการจังสมกิเลส ข, ขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกนั่งขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วลืกคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะ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 จากสองภาคทางกระเทียยเ่ยวหยุดความหยบหนามนั่นเป็นความสุขแล้วหรือนะเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมาก่าวเป็นคาถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดนในโลกนี้ศาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแม่นยำนำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้าง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 ต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะไม่ว่ากันไม่เป็นค่าสุกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้ส ง, สงบสึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในค่าสึกที่เรากําลังพิจรารณานอยู่เวลานี้คลี่คลายดูให้หมดจะทุกข์มากทุกน้อยเพียงไรเราไม่ใช่ผู้ลงจมไปด้วยทุกข์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 บึกบุกเบิดสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างฝูดเรืองให้มีความราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับพิจนาให้ทนันกับเหตุการณ์เขาไม่เห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี้ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้ก็เห็น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 ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกเป็นทุกรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออตัวัญญานยะา่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวท่ญญานยาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆพอแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนึ่งเหมือนกัน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 สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่สสาคัญอยู่มากสติตั้งจดจ้องลงที่นี่พิจาณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคงต่อตัวเองขึ้นมาและอบอุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ค่าสึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นค่าสึกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจาณาไม่รอบพิจน า, าไม่เท่าทันก็ทุกเวทนานี่แหละ จะมาเป็นตัวทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยืดใจยอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่เคยฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงของรพระพุทธเจ้า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 ท่านมีความผาสุกสมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งขันที่เป็นกองเพลิงทั้งกองนั่นแหละล้อมอยู่ในกองเพิงคือทุกร้อนอยู่ในกองเพิงคือเบนจะขันจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ําดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจข้งงต้น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 อาการแบบนั้นเป็นของติวายจัไม่ได้ทางนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นทิดได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆมันไม่ได้แต่ให้เป็นโทษมันเลร็วเมันประโยชน์จะถือให้เป็นอะไรขันมันเป็นโทษคือความยึดถือด้วยความสําคัญมันหมายขอยงเราที่ผิดถือไปมันเป็นได้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 สงครามมนเนี้ยเป็นสงครามที่สำคัญมากสำหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี่เป็นจุดสำคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดจิตชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตาจุดทุกข์จุดละบาปก็อยู่ที่จุดนี้แท้หลุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ ถึงความกเกษมชำราญถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาเรื่องนิพพานเสียเวลาไม่หละตะคุบอะไรเงาชื่อสมมุติว่ามันไปกิเลสอยู่ภายในหัวใจเราเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกได้ทั้งวันทั้งคืนเอ้ยวันนี้ไม่สาบายไปเลยนะครับยุ่งไปหมดจนกระทั่งจะนอนไม่หลับแล้วจะเป็นบ้าเป็นบอยอยู่แล้วนี่เอเนะ่ะ ไม่เห็นได้พูดว่ากิเลสมันทําเหตุทาอันตรายเราอย่างนั้นอย่างนีหรือทําคิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าก็ตามเมื่อมันเป็นกิเลสมันก็เป็นทังมันอย่างนั้นทำนิพพานธรรมมาถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าก็บริสุทธิ์อย่างนั้นใ้ชื่อให้นานหรือไม่ไม่สําคัญให้บริสุทธิ์เป็นความคเสณทั้งลานอย่างยิ่งนิพพานนั้นเอง นี่แหละคือสนามรบที่แสดงมนันเอาให้รู้ให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกรวีถูกรู้แจ้งไปหมดนั่นแหละเพราะสภาพทั้งหลายมันเหมือนเหมือนกันพอเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจกันไปหมดแม้แต่ร่างกายเราเราเราเข้าใจอาการใดาอาการหนึ่งมันยังทั่วถึงไปหมดคือซึ้งไปหมด เวทนาก็เหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ทราบซ่านไปหมดเนี่ยเป็นโลกวิทูเข้าใจเป็นเหมือนกันแไปหมดนี่ยโลกวิทูของพวกเราเอาตรงนี้โลกวิทูของพระพุทธเจ้านอกจากรูก้อย่นี้แล้วยังลูบยัง ก, กว้างขวางลูกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกเกี่ยวกับสภาวธรรมทั่วๆไปเราไม่ใช่วิสัยอย่างนั้น หเหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราจึงพิจารณาให้เป็นโลกวิถถูรู้แจ้งตรงที่มันกําลังมืดอถูงเวลานี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ปิดบังกําหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชาติตามความจริงด้วยปัญญาของเราปัญหดนัตถิปัญญาสมาอาภานะฟังความสว่างเสมอเรื่องปัญญาไม่มีแล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอโดยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกัน จึงต้องแก้ด้วยปัญญาล้วจะตามไฟเข้าไปสอ่องอันทีเลววันนั่งค่าไม่มีเจอกิเลวตัวไหนมันจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไฟไปให้มันดูเปิดไฟฟ้าขึ้นนะมันเห็นตัวของกิ่เลวกิเลวไม่ได้โง่เหมือนเดาเนียเพราะ้นเราเพื่อทันทีเลวเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลวส่องดูกิ่เลวเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตทั้งแสบเห็นทั้ง รา่างเงาข้อมูลของมันถอนไปมาได้หมดเ้ื่อำนาของปัญญานี้เท่านั้นนี่ทันถึงกับเครื่องมือที่ทันสมัยก็คือปัญญาสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนธรรมะอาโลโกุตปาริในธรรมะจักรปวัตตาสูตร ญาณังวัตปานิวิจชาวตปานิอโลโกตปานิจะขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำสว่าง น, นี่ักขุกรณีญาณกรณีปุปสมายะอภิญญายะสัมโบธาญิบานายะสร้างวัตถุนี่นี่แหละมักแปลเป็นไปเพื่ออย่างนี้ เป็นไปเพื่อความบรรลุความแต่จะรู้เป็นไปเพื่อนี้ผ่านวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวอยู่นี่ ผิตเมื่อมีเครื่องรักษาจะสวา่างปัญญาภายสว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้พุ่มดับไปก็รู้รู้วยความโล่งของสติปัญญาตัวเองเย็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั่นไม่ตายแล้วไม่หลงแล้วไม่จมแล้วก็มีเท่านั้น สิ่งที่เราต้องการมันขอให้นำกฎที่ก่งมาละการแสดงระทัศ